สองสามวันที่ผ่านมารู้สึกดินฟ้าอากาศปันป่วนก่อนหน้านี้ร้อนแต่พอต่อมานฝนจะตกทนีคืนวันที่สิบห้าเนี่ยฝนตกแรงมากฝนตกไม่นานตแต่แรงถ้าคนไปตากฝนในโอเปียกโชคแล้ว ว, วันนั้นอะแต่ก็ยังดีพอวันรุ่งขึ้นมาก็ แดดจแ่งก็ทำให้ชาวนาของเขาไม่เสียหายเท่าไหร่คือช่วงนี้ถ้าฝนตกเนี่ยไม่เป็นผลดีกับชาวนานะัเสียหายอย่างมากเลยเพราะทำให้ข้าวไม่เป็นเม็ดข้าวหักและก็ข้าวขึ้น้าอีกต่างหาก กำลังจะเก็บเกี่ยวจะกำลังจะได้ผลก็มีสิ่งเข้ามาทำให้ตัดทอนลงไปอีกอแล้วก็พวกลานมันเงินส่วนหนึ่งอีกเหมือนกันถ้าฝนตกหน้านนี้เสียหายสรุปแบบรวบรัดก็ว่าเสียหายมากกว่าได้ถ้าฝนตกช่วงนี้ ถ้าก่อนหน้านี้เออดีเพราะว่าบางท้องนาข้าวมันก็ยังไม่พอน้ําอยู่งั้นแหะแต่จะทํำยังไงได้พวกเราอยู่ใต้ฟ้าใต้ฝนจะไปแต่งฟ้าแต่งฝนก็แต่งได้ในระดับหนึ่งอย่างทําฝนเทียมนแต่งได้ในระดับหนึ่งแต่ถ้าไม่มีขีเมก ก้อนเมฆจริงๆก็ทําไม่ได้อีกเหมือนกันคล้ายๆวัดเสริมเท่านั้นเองเสริมเสริมให้มันตกเพราะงั้นแต่เมื่อก้อนเมฆอยู่แล้วเราคือเอาปุย๋ยผงเคมีขึ้นไปแล้วก็ทําให้มันจับเป็นเมด็ดแล้วก็ตกลงมานะเมื่อวานในพระมาทั้งสองวัดมาพูดเกี่ยวกับเรื่องเจดี บัวบานนึงก็ได้พี่ปรึกษาไปแหละทั้งวัดหลงปู่เพียนด้วยทั้งหลวงปู Thank ่แตงอ่อนจะสร้างเจดีย์แต่ตามจริงการสร้างทาวรวัตถุถ้าว่าพวกเรามองเป็นสองแง่มุมเหมือนกันถ้าเรานักทางด้านวัตถุจนเกินไปก็ทำให้ห่างเหิน ธรรมะหรือว่าคุณธรรมในจิตใจได้อีกเหมือนกันแต่ถ้าว่าเราคิดในแง่ของทางโลกเป็นประวัติศาสตร์ของชาติก็ควรจะมีทาวรวัตถุให้เป็นที่รำลึกถึงรุ่นลูกหลานแต่ถ้าว่าพวกเราไม่ได้คิดในด้านวัตถุเสเลย มีท่ด้านนมามธรรมดีไหมดีพวกเราพ้นทุกในวัฏะสงสารไปแล้วก็จะทำยังไงได้ลูกหลานเกิดใหม่ใจที่หลังคือเอา้าสั่งสมบาลมีกันไปพวกเราหลุดพ้นไปแล้วก็หลุดพ้นไปสอนเทาที่จะสอนได้แต่ทีนี้ถ้าหากว่าในทำเท้าวันวัตถุไว้ดีไหม ก็เป็นที่ยึดเหนี่ยวทางจิตใจเออพระพุทธศาสนาเนี่ตั้งแต่โ บ, ร, บราณตั้งแต่พ่อคุณลามคำแหงตั้งแต่พ่อคุนศรีอินทราทิพตตั้งแต่สุวรรณภูมินครปฐมตั้งแต่ดึกจำบันคนโบราณคนไทยของเราได้นับถือพระพุทธศาสนามีทาววัตถุ เป็นเอกลักษณ์หรือว่าเป็นสั ญ, ญลักษณ์มาตั้งแต่ดึกดำบรรโนมนานทีเดียวะอย่างดอยสุเทพนีพระธาตุพนมนครปฐมนครศรีธรรมราชแล้วก็เจดีย์อยุธยาหลายแห่งที่ผุพังอันนี้ก็คือเป็น สั ญ, ญลักษณ์แลเป็นเอกลักษณ์เรียกว่าเป็นท้าวรวัตถุที่พวกลกูกหลานได้เห็นพวกเราภูมิใจไหมที่เห็นท้าวลวัตถุเหล่านั้นภูมิใจเพราะเหตุว่าคนโ บ, ร, บราณสมัยนั้นเครื่องไม้เครื่องมือของเขายังไม่ทันสมัยเขาก็ใช้เลี่ยวใช้แรงเขาทำเลยก่ออิดซ้อนๆกันจนเป็นเจดีขึ้นมาให้พวกเราได้เห็น เป็นน้ําใจของคนโบราณแต่เมื่อมาถึงยุคของเราถ้าเราไม่ได้ให้ความสนใจในด้านวัตถุมันก็ขาดช่วงไปอีกเหมือนกันแต่ทางพวกเราทําเน้นแต่ทางด้านวัตถุจนเกินไปจนขาดเรื่องนามธรรมทั้งด้านจิตใจก็ไม่ถูกเพราะฉะนั้นมันควรจะไปทั้งสองอย่างพร้อมๆกัน สรุปแล้วก็คือให้รู้จักการสถานที่บุคคลบุคคลไหนควรจะทำควรจะสร้างเจดีในหลักของพุทธศรารสนาธรรมถูประหาบุคคลสี่จำพวกพระเป็นเจกพุทธเจ้าพระหาันสาวกพระเจ้าจากักรพรรดิแต่นี่มาถึงยุคของเราพอ ครูบาอาจารย์ที่มีทุกสิทธิ์ลุกหามากาก็สร้างขึ้นมาตาวรลวัตถุถ้าจะว่าไปดีไหมก็ดีคือเจอดีแต่ละเจดีพวกเราก็ไม่ได้ใช่ว่าจะบรรจุแต่อธิษาตของครูบาอาจารย์เราก็บรรจุพระบรมสารีริกธาตุบนยอดพระเจดีและก็ธาตุพระอราหารันตสาวก บนยอดพระเจดีย์และกับปฏิจฐานพระพุทธปฏิมากรตัวแทนของพระพุทธเจ้าไว้บนเจดีย์พวกเราก็ได้กราบได้ไหว้ทั้งครูบาอาจารย์ด้วยทั้งพระเจดีย์ด้วยแล้วก็เป็นอนุสรณ์สถานให้ลูกให้หลานยึดเหนี่ยวในถินนนนถ่นนั้นในท้องถิ่นนั้นในชุมชนนั้น แต่ต่อไปภายภาคหน้าใครจะเป็นคนดูแล ร, รักษาอันนั้นเป็นเรื่องของอนาคตเราเป็นห่วงถึงขนาดนั้นเน่ยเวลาเราตายไปแล้วก็ไม่ต้องไปที่ไหนไปเฝ้าเจดีย์นึงก็ได้อันนี้เมื่อสร้างเสร็จแล้วก็เป็นบุญเป็นกุศลสำหรับพวกเราเทิดทูนบูชาพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์พ่อแม่ครูบาอาจารย์เพื่อเป็นอนุสรณ์สถานเราก็ควรจะจบเพียงแค่นั้น เมื่อเราสร้างจบแล้วก็ควรจะจบในใจของเราเราทำดีที่สุดแล้วไม่ใช่ว่าพอทำแล้วสร้างเสร็จแล้วยังเป็นห่วงหาอะไรในเจดีอีกกลัควคนจะมางัดมาแงมาขโมยพอตายไปแล้วก็ไปเฝ้าเจดีทีนี่เป็นเป็ดเป็นผีเฝ้าอยูน่นะผีใหญ่ต่างหากใครมากันนะ้ำมันรดนรดานให้ลอยบกไปเลยเหมือนนเถอะ พวกเราจะได้เป็นอย่างนั้นพอสร้างเสร็จแล้วก็คือให้จบเธอตูลบูชาพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์พ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านปฏิบัติตีปฏิบัติชอบพวกเราเคารพนับถือเรื่มใสอย่างน้อยก็ให้คนมากราบมาไหว้พระบรมสารีริกธาตุพระธาตุของพระอรหันต์บนเจดีย์ที่เราสร้างขึ้นมาโดยทุนทรัพย์ของเราโดยกาลัง แรงของเราด้วยกำลังความคิดของเราที่ได้สร้างพระเจดีย์ขึ้นมาได้สร้างทาวนวัตถุขึ้นมาไว้ในพระพุทธศาสนาเพื่อเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาบูชาพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์สร้างขึ้นมาแล้วเรากไม่ได้ยึดว่าเป็นของเราเราก็ไม่ได้ให้แก่ใครคนใดบุคคลหนึ่งเป็นสาธารณประโยชน์เป็นของสง เป็นของกลางเมื่อเราสร้างจบแล้วก็คือจบบูชาแล้วก็จบเราไม่ได้ยึดถือว่าอันนั้นคือเป็นของเราแต่ว่าการดูแลรักษาขณะที่เรายังมีชีวิตอยู่เราก็ต้องดูแลรักษาเพราะเรายังมีชีวิตอยู่แต่มันสํารุดทุดโทรมเรามีปัญญาที่จะซ่อมได้เราก็เอาเสียสละเวลาเวลาชละทุนทรัพย์ไปซ่อมแซมให้มันดีขึ้นอยู่ในสภาพ ในเมื่อเราตายไปแล้วลูกหลานเขาไม่ซ่อมเขาไม่ดูไม่แลอันนั้นก็เป็นเรื่องของลูกหลานเขาเราจะไปเป็นทุกข์เป็นร้อนจนถึงเจดีผุพังขนาดนั้นน่ะมันก็ไม่ถูกอีกเหมือนกันนั่นแหละเพราะนั้นในครั้งพุทธเจ้าในครั้งพุทธการพระเถระท่านหนึ่งท่านเป็นมหาเถระนะแต่ท่านตัวเตีย้ยอ่ ตัวเตี้ยตัวต่ำตัวเล็กเกเหมือนกับสั ม, มเวณีสมัยพระพุทธเจ้ากัจจปะพระพุทธเจ้ากัจจปะดับขันปรินิพานคนทั้งหลายในยุคนั้นอายุยืนสองหมืนปียุคสมัยพระพุทธเจ้ากัจจปะปรินิพานพระพุทธเจ้ากัจจปะอายุยืนสองหมปีเหมือนกันในยุคนั้นสมัยนั้น ท่นี้คนทั้งหลายพ อ, พอพบพระพุทธเจ้าพระริปิพานแล้วท่นี้ก็ไปชุมกัน เ, เราจะสร้างสถูปพระเจดีย์บรรจุพระบรมสารีลิขทาตของพระพุทธเจ้ากัสริยเนี่ย เ, เราจะเอาตรงไหนตรงจุดไหนเราจะสร้างใหญ่ขนาดไหนเราจะทําสูงขนาดไหนท่นี้ประชาชนก็เอ้ามาลงมติกันท่นี้คน รวมกันทั้งพระมหากษัตริย์หลายหัวเมืองเมืองเล็กเมืองน้อยตลอดถึงเศรษฐีก็ามาประชุมกันรวมกันลงมติพวกเศรษฐีก็เขียนแบบแปลนออกมาความกว้างจะต้องเท่า น, นั้นโยดโยดหนึ่งสี่รอยเส้นเะไม่ใช่ธรรมดาเนี่ยความกว้างด้านละเท่า น, นั้นโยด เป็นสิบยี่สิบยอดเพราะงั้นแอแล้วก็ความสูงหนึ่งยอด อ, อย่างเนี้ยใครว่าทำให้สูงให้ใหญ่เพราะงั้นแต่พระเศรษฐีมีเงินมากเลยรวมรวมกลุ่มกันรวมกลุ่มกับกษัตริย์ตอนี้คนจนเลยคนจนโอ้โหถ้าทำขนาดนั้นแล้วมันจะเสร็จได้ยังไงเราตายไปกี่ภพกี่ชาติมันก็ไม่เสร็จใหญ่ขนาดนั้นะ่ะ จะไปทำขนาดนั้นได้ยังไงมันใหญ่เกินไปเวลาต่อไปพ่ายภาคหน้าน่คิดดูให้ดีสิใครจะเป็นคนดูแล ร, รักษาถ้ามันผุพังลงมาแล้วใครเป็นคนดูใครเป็นคนซ่อมมันไม่ใช่ของเล็กน้อยเลยนะทำใหญ่ขนาดนั้นนะดูแลรักษาก็ยากผุพังก็มาซ่อมแซมก็ยากทำเล็กๆเนี่ย เ, เห็ดกระทัดรัดเนี่ยดูดูให้ดูง่ายๆซ่อมง่ายๆปกปักรักษาง่ายๆเนี่ จะไม่ดีกว่าเหรออันนี้คือคนจนคิดแบงนั้นนะแต่คนรวยคิดก็คิดอีกแบบหนึ่งงหมนันนะคิดใหญ่ๆเหอนกันนะเขาขคิดว่าเซ็จเพราะเขาจะลระดมทุนในท้องพระคลังในเงินทุนของเขาเขาจะทุ่มเต็มที่เพื่อบูชาพระาธาตุของพระพุทธเจ้ากัสสปะะทั้งเศรษฐีหลายกลุ่มเหมือนกรวมกันไม่มีปัญหาเซ็ตแต่คนจนบอกว่าไม่เสซ็จเพราะตัวเองคำคำดูกระเป๋าตัวเองมันดูๆแล้วมัน จะทําอย่างนั้นได้ยังไงมันไม่เซ็จโอล่ในสู่ก็เลยเอาลงมติกันว่าเนี่ยใครเสียงทางมากคนนั้นชนะกัเนเถอะคนหนึ่งบอกว่าเอาเพียงโยต์เดียวก็พอแล้วแหะเนีอย่าไปเอาทั้งสามสี่โยต์น่นะโยต์ทั้งสี่ร้อยเส้นโยต์เดียวก็พอเปลียงแค่นี้พอดูแลง่ายเา น, ยนี่ยคือครึ่งโยตก็ไม่รู้ว่างั้นเหรอจะมันจะครึ่งโยต์มางนั้น ผลที่สุดก็เลยคนจนมันมากกว่าคนรวยใช่ไหมละ่ะลงมติกันผลที่สุดก็เลยคนจนนี่ชนะชนะคนรวยว่างั้นแตอแต่ท่านพระมหาเทระเนี่ยเป็นหัวหน้าเป็นหัวหอกว่างั้นแต่เป็นผู้ตะเบงเสียงบอกว่าให้เอาเล็กเนี่ยเป็นผู้ชนะชนะเสียงข้างมากว่างั้นแต่ผลที่สุดก็เลยตกลงเพราะมันมันเอกชัน้นนะด้ เพรเสียงข้างมากว่าจงไงก็ต้องเป็นอย่างนั้นแต่ว่าคนจนมันมากกว่าคนรวยจะไอคนจนมันมากกว่าคนรวยคนรวยมันไม่มากอย่างพวกเราเห็นทุกวันเนี่ยนะถ้าไปแข่งขันกัน่คนจนกับคนรวยอันไหนมากกว่ากันเนี่ยมันก็สู้คนจนไม่ได้ฮแต่นี้สมัยนั้นก็เหมือนกันเนี่ยแข่งออกเสียงกันก็คนจนมันมากกว่าะมากกว่าคนรวยก็เลยชนะคนรวยไปคน รวยก็เลยแพ้เอาไม่ได้เป็นไล่เอาถ้าทําขนาดนั้นก็ทำขนาดนั้นเอาร่วมกันก็เลยทําไปก็เลยเสร็จไอคนที่เป็นหัวหน้าก็ดีใจว่าตัวเองชนะพอเกิดมาพบนายชาติหน้าจะได้เกิดมาพบชาติหน้าเนี่ยเตี้ยระบาดเนี่อเกิดมาท่าน ด, าาดคลคืบกว่ัวเองบาดเนี่ยตัวเตี้ยเนี่ยพวกเราก็เห็นไหม พวกเตี้ยๆทั้งหลายทั้งปวงเหล่านั้นนะโดยมา ก, กจะเป็นลักษณะอย่างนั้นนะเขาทําอะไรใหญ่ๆตัวเองคัดค้านเราให้เล็กเหมืงนั้นเถอะพอเกิดมาพภพนาชาตนาเนียเตี้ยบดหนงเหมือนนั้นเถอะเพราะนั้นพวกนาก็ตามนะถ้าเขาจะทําความดีแล้วพวกเราเสริมเลยเสร็จไหมล่ะอย่าให้เดือดร้อนคนอื่นนะเสร็จไหมถ้าเสร็จเอาเอาเลยอืมสนับสนุนเหมือนนั้นเอะแต่เดือดร้อนคนอื่นไม่ได้นะเราไม่เห็นด้วยนะ ไปแผ่ไปขอไปเดือดร้อนคนอื่นอ่ะ ม, มันไม่ดีนะทั้งที่จะเป็นบุญเป็นกุศลกับเป็นมนทินเข้าสู่จิตใจของเราอีกต่างหากพอทากันแล้วกระเสือกกระสนพูดวายไปหมดทำให้คนอื่นเดือดร้อนไปหมดทั้งที่ตัวเองจะเป็นบุญเป็นกุศลทำให้คนอื่นดูถูกเกียดยามเล่าอีกอทั้งที่จะเป็นบุญกุศลจิตใจยิ่งเศร้าหมองพดโดนเขาดุเขาดา่าเขาว่าเขากล่าว ไม่รู้จักประมาณตนไม่ได้นะไม่เห็นด้วยนะอันนี้ตลอดต้องบอกถ้าเอ้ยไม่เป็นไรมีพร้อมออทำได้เสร็จนะเออเอาเอาเลยสนับสนุนถึงจะใหญ่จะสูงขนาดไหนะก็สนับสนุนเหมือนกัเพราะเขาจะทำให้เสร็จแต่เดือดต้อนขึ้นมาเมื่ อ, อไรเราก็โยนให้ทำไปนะะเราบอกแต่ทีแรกแล้วทำไมทำเกินประมาณตัวนะ อันนี้ก็คือเราต้องบอกอย่างนั้นไม่ใช่ว่าเขาจะทำให้ใหญ่ให้ดีให้สวยให้งามตัวเองมีแต่คัดค้านตะบีตะบันไม่ดูตาม้าตาเรือเอาแต่ทิฐิมานะของตนเองเพอเ พ, อเพออยังอิจฉาพระพุทธเจ้าอีก้ยพระพุทธเจ้าตายไปแล้วกระดูกเฉยเฉยจะทำอะไรช่วยอะไรมากมายนักหนา ถ, ถึงขนาดนั้นเสียเงินเสียทองเอาเล็กๆขนาดนี้ก็พอแล้วแหละยังอิจฉาพระพุทธเจ้าอีกเฮ้เพอ เ, พอ เ, พอเพอตกนรกอีกต่างหากเนีย ตกนรกขึ้นมาอย่างตัวเตี้ยอีกต่างหากยังยากจนอีกต่างหาก เ, หาเพราะเหตุใดเพราะคัดค้านคุณงามความดีของเขานี่แหะมันมีกล้ำอย่างนั้นนะพระเถระท่านนั้นก่อนนั่นนะ่ะวันนั้นพระสงฆ์ท่านมีเรื่องที่จะมากราบพระพุทธเจ้าพระเถรศองค์เตี้ยนะ่ะองเล็กๆน่ะั่นก็ขึ้นมากราบพระพุทธเจ้ามันท่านมารายงานกราบทูลพระพุทธเจ้า ท่านเป็นพระมหาเถระผู้ใหญ่ท่านหนึ่งแต่ได้มีพระสงฆ์กลุ่มหนึ่งที่ท่านไปภาวนาอยู่ในป่าท่านก็จะเข้าไปกราบพระพุทธเจ้าถามปัญหาเหมือนกันได้เนี่ยกราบไปฟังเทศแล้วก็ถามปัญหาพระพุทธเจ้าถามปัญหาธรรมะทางจิตใจพระสงฆ์เหล่านั้นสามสิบองค์เดินเข้ามาพระเถระท่านก็เห็นเออพระนั้นกําลังจะเข้ามา กราบทูลพระพุทธเจ้าเพราะเราก็เสร็จภาระแล้วภาระที่เรากราบทูลพระพุทธเจ้าก็หมดแล้วก็เลยกราบทูลพระพุทธเจ้าข้าพระองค์ขอกราบลาเพราะพระเหล่านั้นพระเหล่านั้นกำลังเดินมาขับผมพะพุทธองค์เออท่านก็เลยถวายบังคมพระพุทธเจ้ากราบพระพุทธเจ้าเสร็จ้วท่านก็เดินลงจากพระคันตุดีพระพุทธเจ้าพอเดินมา เดินสวนพระเหล่านั้นอ่ะพระเหล่านั้นทั้งสามสิบกว่าองค์พอไปเห็นพระเหล่านั้นก็เอามือขยุ้มหัวโอ้โหสมมเนนน่ารักจริงๆนะน่าอิ่มเอิบแกยิ้มห e น้ายิ้มแกยิ้มหน้าเอิบอิ่มเหลือเกินสัมมาเนอบวชนานเท่าไหร่ล่ะเนี่ยไปองค์นั้นก็ลลนเอามือขย่าวหัวพ ว, วนั้นขย่าหัวเกันเละขย่าหัวพระเทระพระเทระก็เดินช่วย พอมาถึงพระพุทธเจ้าในพระสงฆ์เหล่านั้นมาถึงพระพุทธเจ้ามากราบถวายบังคมพระพุทธเจ้าเสร็จแล้วพระองค์ก็ถามว่าภิกษุทั้งหลายพวกเธอเห็นไหมพระมหาเถระที่เดินผ่านพวกเธอลงไปเนะ่ยสวนทางพวกเธอขึ้นมานพวกเธอเห็นไหมไม่เห็นพระเจ้าค่ะเอาไม่เห็นยังไงเดินผ่านลงไปไม่เห็นมีแต่สมมเนนครับผมเดินผ่านไป สมมาเนนน้อยเดินผ่านไปนั่นแหละมหาเถระอ๋อทําไมถึงจัดว่าเป็นมหาเถระดูะเป็นสัมมาเนนนะพระเจ้าขา่าตัวเล็กๆเน่ะเออนั่นแหละเล็กนะ่ออนนะนะทําไมท่านจึงตัวเล็กเพราะเป็นบาปกรรมในอดีตชาติของท่านโอ้เป็นบาปกรรมไรหนอพระเจ้าขานะ้าพระสมตอนนั้นก็สนใจพระพุทธเจ้าบอกว่าน่ะในอดีตชาติพระพุทธเจ้ า, นะ า, ากัจจปะ อระนิพพานลงไปแล้วคนทั้งหลายไปชุมหารือกันจะสร้างพระเจดีย์เนี่ยท่านพระมหาเทระท่านนี้หละในข่าวนั้นนอท่านเป็นเป็นฝ่ายฝ่ายประชาชนแบบงั้นเถอะคัดค้านฝ่ายเศรษฐีแบบนั้นเถอะท่านก็เลยเป็นฝ่ายชนะจากนั้นก็ได้สร้างเจดีย์เตี้ยต่ําเล็กเกิดมาพบนิชาตินี้ท่านก็ได้ได้รับผลกลม ที่ตัวเองได้ทําไว้ในอดีตชาติได้คัดค้านพระเจดีย์นี่แหละการจะคัดค้านสิ่งไหนมันต้องดูตามมาตาเรือซะก่อนนะไม่ใช่ว่าคัดค้านตะวันตบัณฑ์ก็ไม่ได้นะหลวงพ่อว่านะเดี๋ยวเป็นบาปเป็นกรรมเหมือนกับพระเทระอง์นั้นนะถ้าพวกเราคิดอีกอย่างหนึ่งก็ตัวเตี้ยดีไหมก็ดีเหมือนกันนะหลวงพ่อว่าแต่หลวงพ่อไม่อยากจะเตี้ยหรอวะ พอเวลามันจีบของสู ง, สงมันจิบยากเวลาลงน้ําก็เหมือนกันเวลาคนอื่น ส, สูงเขาเดินเขาเพียงเอวตัวเองมันท่วมจมกนะูกลอยน้ําละเนี่ยถึ่งที่มันไม่ดีเหมือนนเถอะไอ้สิ่งที่มันดีคืออะไรเวลาใช้เสื้อผ้าก็ใช้ผืนเล็กๆใช่ไหมใช้เป้าผมก็ใช้ผืนเล็กๆไม่เปืองเหมือนคนอื่นเขาเออถ้าตัวสูงตัวใหญ่แต่มันเปืองเหมือนนเถอะอ่ได้ซื้อแพงอีกต่างหากถ้าตัวเล็กๆซื้อราคาถูกเนี่ย ตัวเ ล, เล็กก็ดีเหมือนกันในหลวงพ่อว่านะใครอยากจะเอาตัวเล็กก็ได้ใครจะเอาตัวใหญ่ก็ได้ถ้าใขยายเอาตัวเล็กอย่างอย่างพระเถระท่านนั้นน่ะถ้าใครทาคุณงามความดีอะไรคัดค้านตบีตะบันเลยเกิดภพนาชาตินาเล็กแน่แน่เพราะงั้นเพราะนั้นพวกเราอยากจะเป็นตัวเล็กและตัวใหญ่น่ยแกลมอยู่ในโลกนะไม่ไปที่ไหนกลัมโมนีนาวัตตีโลโกสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกลัม ที่ตนได้กระทาไว้สัตว์โลกก็คือพวกเราท่านทั้งหลายนะตั้งแต่พรหมโลกตั้งแต่พรหมลงมาถ้ายังไม่พ้นกุศลวัฏสงสารยังมีกิเลสอยู่จัดว่าเป็นสัตวโลกทั้งหมดสัตตะสัตตะแปลว่าผู้ยังคงองอยังคองอยู่ในภพในชาติตายจากชาตินี้แล้วจะไปเกิดเป็นเทวบุตรเทวดากลับลงมาอีกมาเกิดมนุษย์ บางทีเพอเอเป็นเกิดเป็นสัตว์ที่ฉานก็มีมันไม่เที่ยงแท้แน่นอนการเวียนว่ายตายเกิดจุดแท้แต่กลัมในอดีตชาติของเราจะให้ผลอย่างไรเราคิดดูก็แล้วกันแต่แต่เราเป็นเด็กมาจนถึงใหญ่ถึงขนาดนี้เราทำแต่กลัมดีอย่างเดียวใช่ไหมก็ไม่น่าจะใช่เราทำกลัมชั่วอย่างเดียวใช่ไหมก็ไม่น่าจะใช่สรุปแล้วก็คือการทากลัมของเราเนี่ย ในชาตินี้ชาติเดียวก็แคล้วเคล้ากันแต่ว่าพวกเราไม่ได้พบพระพุทธศาสนามันไม่ได้พบพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าเกิดมาในกรียุกอย่างเนี้ยเกิดมาแล้วก็แข่งแย่งกันฆ่าฟันรันแทงกันอย่างนี้เกิดพบนั้นชาตินั้นไปว่าทํากล้ำมากแนงะ่กล้ำตัวนั้นอะ่ะมันไม่ไปไหนมันมาบกเวียนให้ผลแก่เราเผลอๆเกิดมาพบในชาตินี้ อาจจะทุกข์จนก็ได้เพราะกรรมเก่าให้ผลแต่เราทํากรรมดีไว้ในอดีตชาติกรรมดีมันให้ผลในช่วงนี้เราก็มีความสุขร่ลำรวยหน้าที่การงานอะไรอันไหนไปได้ดีทั้งนั้นเพราะเหตุใดเพราะกรรมดีให้ผลในช่วงกรรมชั่วให้ผลนั่นถึงเราจะมาอยู่ดีมีสุขแต่กรรมชั่วมันพลิกผันลงไปมันมาให้ผลในช่วงนั้นเราก็้กลับทุก นั่นแหละกรรมดีกับกรรมชั่วไม่ไปที่ไหนมันอยู่ในใจของเราติดตามตัวของเราอยู่ตลอดออเพราะนั้นพระพุทธเจ้ากรรมชั่วอย่าทำเสลยดีกว่าเพราะกรรมชั่วนั้นให้ผลติดตามลังแกให้เราเป็นทุกข์เดือดร้อนเมื่อภายหลังเพราะนั้นท่านไว้ให้ทำแต่กรรมดีคิดดี ทำดีพูดดีถ้าเราใช้ปัญญามีสติอยู่กับตัวเองแล้วเราจะรู้ได้ว่าเดี๋ยวนี้เราคิดเรื่องอะไรถ้าเราไม่มีสติก็อย่างบ้านปล่อยไปเรื่อยคิดไปเรื่อยผลในจุดทําไปเรื่อยกับพูดไปเรื่อยอกรำก็ตามมาเรื่อยถ้าเราคิดดีพูดดีทําดีผลมันก็ดีถ้าคิดชั่วทําชั่วพูดชั่วกรม ชัมันก็ให้ผลเพราะนั้นมันอยู่กับเราทั้งหมดกรรมคือการกระทำํำเทพเจ้าเหล่าเทวาพระเจ้าองค์ไหนประสาทพอให้เราไม่ได้ทั้งนั้นเราเป็นผู้ทําเอาเองเราเป็นผู้กระทําเองกรรมคือการกระทําถ้าเราทําดีแล้วผลดีก็ต้องมาหาเราถ้าทํากรรมชัวช่วแล้วกรรมชั่วก็จะไปจะไปไหนก็มาหาเราเช่นเดียวกัน นันท่านจะให้ทำแต่กรรมดีเกิดมาพบพุทธศาสนาพบทำคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วอย่าทำสิ่งที่มันไม่ดีนะทำแต่สิ่งที่มันดีนะ <c oughs> รับพรนะทีนี้อนุโมทนายพร